พี่น้องครับสวัสดีครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามแผ่นดินของพระเจ้าตอนที่สองนะครับในตอนที่สองนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าในขณะที่พระเยซูนั้นได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้และพระองค์ได้ทรงสั่งสอนปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพระบิดาและปฏิบัติรับใช้มวลชนเพื่อที่จะทําให้เกิดแผ่นดินของพระเจ้านะครับ เพราะฉะนั้นหลายหลคนก็ใช้คำว่าแผ่นดินของพระเจ้าในยุคปัจจุบันหรือ the kingdom as present นะครับก็คือในสมัยปัจจุบันขององค์พระเยซูคริสนั่นเองนะครับและสืบเนื่องต่อมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพื่อนครับขณะที่พระเยซูคริสทรงเริ่มภารกิจของโปรงโปรงทร ง, งเริ่มด้วยการประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วนั่นหมายความว่าโปรงหมายถึงเวลาแห่งการมาของแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ใกล้ในพระธรรมมัทธ ขอโทษครับมาระโกบทที่หนึ่งข้อสิบห้าครับได้พูดถึงเกี่ยวกับคำสัตย์ของพระเยซูในตอนนี้บอกว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วคืวความหมายว่าจะมีเหตุการณ์ที่ใหญ่และสําคัญจะเกิดขึ้นพร้อมกับการมาขององค์พระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นมาระโกได้บันทึกคําประกาศนี้ของพระเยซูตั้งแต่เริ่มต้นธัญจิจนะครับก็อยู่ในบทที่หนึ่งเลยครับเพ <s> ราะว่ามาระโกนั้นไม่ได้พูดตล้ามทำเพลงนะครับ ในเรื่องของบรรยายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูพงันของพระเยซูเหมือนกับในมัทธิวและในลูกาครับพี่น้องครับเมื่อมาระโกบันทึกคาประกาศนี้ของพระเยซูเขากําลังจะบอกว่าราชกิจของพระเยซูเป็นการสําแดงการเริ่มต้นของแผ่นดินของพระเจ้าแสดงว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่นําแผ่นดินของพระเจ้าให้มาตั้งอยู่ในโลกนี้เป็นผู้แรกครับ ก็คือเป็นผู้ที่สร้างแผ่นดินของพระเจ้าให้สำเร็จในโลกนี้พระองค์จะกระทาไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่คือคำพูดของเยซูที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับความจริงและการปรากฏของแผ่นดินของพระเจ้าในพระธรรมลูกานะครับบทที่สิบเจ็ดข้อยี่สิบและยี่บเ็ดนะครับได้กล่าวถ่งนี้ตรวฟังพระนะของพระเจ้า แผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้มาด้วยนิมิต ท, ที่จะสังเกตได้และเขาจะไม่พูดว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่นพอดูเถิดแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ข้ามกลางทั้นทั้งหลายแล้วนไหมครับคาตรัสของพเยสูนีเป็นคําตอบตรงๆเลยนะครับที่พเยสูนได้พูดให้กับพวกฟอริสีที่ถามพระองค์เกี่ยวกับเวลาแห่งการมาของแผ่นดินของพระเจ้า คำพูดนี้ถือว่าเป็นคําตั้งอิงที่เฉพาะเจาะจงหรือเป็นคําตอบที่ฟันธงนะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นได้มาถึงและเป็นจริงแล้วโดยพระเยซูครับพระเยซูท่นเองเป็นคําตอบเป็นผู้ที่ก่อตั้งแผ่นดินของพระเจ้าที่ต่างกันในโลกนี้ข้อความอีกตอนหนึ่งครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบที่12ข้อ28นะครับและพบในลูคาบทที่11ข้อที่20ด้วย พูดถึงการมาแผ่นดินของพระเจ้าที่มาพร้อมกับพระสกิตของพระเยซูเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นี้นครับเป็นเหตุการณ์การโต้เถียงโต้แย้งกันถึงการขับผีโดยอานาจของ เ, เอบตเลเฮลบูพี่น้องคงจําได้นะครับที่พวกฟริสีพวกธรรมจารนั้นกล่าวหาพระเยซูนะครับจงใจที่จะตั้งข้อหาพระเยซูว่าพระเยซูขับผีออกโดยใช้อํานาจของนายผีครับ แชมปหน้าของนางผีก็คือบเบตเด็กเสบูนนั่นเองพี้องครับและตามด้วยการที่เปเยซูกล่าวต่อไปว่าซาตานไม่สามารถที่จะขับซาตานเองได้ประโยคที่ตามมาก็คือคําตัดของเปเยซูที่ว่าถ้าเราขับผีออกด้วยพะวะอิ ญ, ญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วครับลู ก, กาใช้คาว่านิ้วพระหัตแทนคำ ว, ว่าพราะอิ ญ, ญญาณของพระเจ้า ข้อความทั้สอตอนนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นของการมาของแผ่นดินของพระเจ้าคําว่านิ้วพระหัสนะครับก็คืออำํำนาจครับนิ้วใช้ชี้แล้วบ่าวก็ไปทําตามเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าหรือพระเยซูนั้นใช้นิ้วชี้นะครับวิญญาณชั่วร้ายนั้นต้องออกไปนั่นหมายความว่านี่คือการปกครองนี่คือสิทธิอนานาจสูงสุดของแผ่นดินของพระเจ้าปากครองโดยพระราชานะครับ รปียสูส่งเป็นกษัตริย์พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการมาของแผ่นดินของพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูพี่น้องคงเห็นชัดเจนพี่น้องครับนี่คือการบ่งบอกว่าแผ่นดินและการปกครองของพระเจ้าได้มาถึงแล้วต่อมาครับเราจะมาพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและการกระทำอัศจรรย์ทั้งหมดของเปียสูนั้นเป็นการพิสูจน์หรือเป็นข้อพิสูจน์เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าแผ่นดินของพระเจ้าได้เริ่มต้นมาถึงแล้ว เป็นสิ่งที่บรรดาผู้เผยพระชนะและผู้ชอบ ร, รมในดีนั้นได้ปรารถนาและตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาในการรอคอยที่จะได้เห็นนะครับแต่พวกเขาตายไปครับเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่บัดนี้สิ่งนี้ได้ปรากฏให้เห็นด้วยตาก็คือให้กับบรรดาสาวกได้เห็นและได้ยินเป็นการเริ่มเปิดฉากยุคแห่งความรอดที่ยิ่งใหญ่ครับพระเยะซูได้ตรัสไว้อยู่ในพระธรรม มัทธิวที่สิบสามข้อที่สิบหกและในพระธรรมลูกาที่สิบข้อยีิบสามเป็นสุสัจอย่างนี้นะครับว่าในตาทั้งหลายที่ได้เห็นการซึ่งพวกท่านได้เห็นก็เป็นสุดหมายความว่าในตาทั้งหลายก็คือคนทั้งหลายครับที่ปรารถนาอยากจะเห็นพระเยซูแต่เขาได้ตายไปก่อนพี่น้องครับเขาตายไปด้วยความหวังและความปรารถนาด้วยความรู้สึกอยากจะเห็นพระเยซูครับ แต่พวกเขาในที่สุดไม่ได้เห็นครับแต่สาวกของพระองค์ไปเห็นและได้ยินอันนี้ถือว่าเป็นพระพรหรือเป็นสุขหรือคนไทยเรียกว่านับเป็นโชคดีอย่างยิ่งในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ครับเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ประชาราษฎรพี่น้องครับเมื่อยอนเพื่ยให้บัพติศมาเรามาดูประเด็นของยอนนะครับยอนเพื่อให้บัพติศมานั้นได้ส่งสาวก ข, ของตนมาพบกพับพระเยซูและถามว่า ท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือวิอจะต้องคอยผู้อื่นพี่น้องครับพระเยซูได้ชี้ให้เขาเห็นถึงหลักฐา น, นต่างๆเหล่านี้หลักฐานนั่นก็คือบรรดาการอัศจรรย์ทั้งหลายที่พระเยซูได้ทาครับและสิ่งที่พระเยซูได้ทำนั้นเป็นไปตามคําพยากรณ์ของบรรดาผู้เผยพระชนาทั้งหลายที่แสดงให้เห็นว่าแผ่นดินของพระเจ้ามามาถึงแล้วนะครับนั่นก็คือนะครับนั่นก็คือคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนตาบอดหายบอดคนใบ้พูดได้คนหูหนวกได้ยินได้และแม้กระทั่งคนตายแล้วก็ฟื้นเป็นเสมือนความตายได้และข่าวข่าิเล็กข่าวใหญ่แป่นดินสวรรค์ข่าวดีแห่งความรอดที่ยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของที่เยซูคือการประกาศแผ่นดินสวรรค์นั้นได้ประกาศแก่คนอนาถาเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าการมาถึงแห่งแผ่นดินและการปกครองของพระเจ้า อยู่ภายใต้ราชานันาาชา น, าาชานาชั้นาชนาชนอาณาจักรของพระองค์ได้สำแดงให้เห็นน ะ, ะในสิ่งต่างที่พระเยซูได้ทรงกระทำทั้งหมดเมื่อพระองค์ได้ประทับอยู่และพระองค์ทรงเสด็จกล้านเนินอยู่ในโลกนี้เรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องครับนั่นแสดงให้เห็นว่าพระกินะครับของพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์เป็นจริงและได้มาถึงแล้วเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็น Kingdom as person นะครับก็คือแผ่นดินของพระเจ้าในยุคปัจจุบันนี้ยังครับจากตรงนี้ี่เองผมจะไปถึงประเด็นของการประยุกต์ใช้และการนำมาใช้ครับเราทั้งหลายจะต้องเชื่อว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นมีจริงในขณะเดียวกันครับได้เข้ามาอยู่ในโลกนี้แล้วแต่ผู้ขอตั้งก็คือองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเราเป็นแต่วกของพระเยซูนะครับเราเป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์ครับเมื่อเราเป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์นั้นเราจะต้องมีอุปนิสัย แบบชาวแผ่นดินสวรรค์ครับเราจะต้องมีคุณบุคลิกลักษณะของชาวแผ่นดินสวรรค์ครับบุคลิกลักษณะของชาวแผ่นดินสวรรค์มีอะไรบ้างนะครับผมอยากจะฝากเป็นข้อคิดนะครับหนึ่งจะต้องมีชีวิตที่บ ร, ริสุทธิ์ครับชาวแผ่นดินสวรรค์นะครับไม่ใช่ชาวโลกแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นที่ประทับของพระเจ้าพระเจ้านั้นทรงพระชนอยู่ และพ ร, ร, ระองค์ทรงมีลักษณะที่สําคัญมากที่สุดก็คือความโฮลี่ของพระองค์ความโฮลี่ของพระองค์นั้นก็คือความบริสุทธิ์ครับเมื่อเราเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์ชีวิตของคริเสเตียนเราต้องมีพงนะครับต้องมีเป้าหมายต้องมีจุดหมายสุดท้ก็คือเราจะต้องบริสุทธิ์ครับเราองมีชีวิตที่บริสุทธิ์การา ร, รับการชำระที่ให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์นั้นต้องเกิดขึ้นทุกวันครับเมื่อเราเติบโตในฝันขีวิญญาณ เราเดินอยู่กับพระเจ้าทุกวันชีวิตของเราก็จะดีขึ้นครับชีวิตของเราจะต้องบริสุทธิ์ขึ้นระการที่สองครับก็คือเราจะต้องมีนิสัยแห่งการกลับใจใหม่ครับพะแผ่นดินสวรรค์นะครับเกิดจากการกลับใจใหม่คนที่เข้าแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นคนที่จะต้องกลับใจใหม่เมื่อพระเยซูประกาศนะครับเชิญชวนคนเข้าแผ่นดินสวรรค์นะครับ เรียนสังเาตว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะแต่อินสวรรค์มาใกล้แล้วยอนก็เช่นเดียวกันครับยอนก็ใช้วิธีการปฏ ก, กาทํานองเดียวกันแบบนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> อุปนิสัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สุดเลยครับก็คือความพร้อมที่จะกลับใจใหม่ความถ่อมใจที่จะกลับใจใหม่ความปรารถนาที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเรานี่คือประ ก, การที่สองกับประการสุดท้ายครับก็คือ ความพร้อมที่จะเชื่อฟัง <c oughs> หรือมีทัศนคทัศนคติแห่งการเชื่อฟังครับเพียงครับเมื่อเรามีทัศนคติแห่งการเชื่อความนี่คืออุปนิสัยของชาวแผ่นดินสวรรค์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นหมายถึงพราชอำนาจและการครอบครองขอ ง, รออ ง, ของรพระเจ้าอำนาจระดับไต่สูงสุดของพระเจ้าโชเรนตี้ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะต้องตอบสนองด้วยการเชื่อฟังเชื่อฟังและยอมอยู่ใต้อำนาจพระราสอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระเยซู พยายามอย่างยิ่งที่จะเชื่อฟังให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และที่เราทาไม่ได้ต้องพยายามขอพระเจ้าที่จะช่วยให้เราเชื่อฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสพระเจ้าพูดพระเจ้าปรัชนาและนับถือไถยของพระองค์ในชีวิตของเราแันนี้คือสิ่งที่อย่างน้อยสาประการนะครับซึ่งเป็นอุปนิสัยหรือบุคลิกลักษณะของชาวแผ่นดินสวรรค์ครับขอพระเจ้าเมตตาและวอวยพรพี่ น, อน้องชาวสุกช่านอาเมน